วันนี้เป็นวันพระรหัสที่17กันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฟังธรรมเป็นวันที่ชาวพุทธผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระบรมมตาสดาพระอรหันตะธมสมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเริดคือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ทมธุระของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับชาวพุทธได้กระทำกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ปฏิบัติผู้ประทะ พูทธธรรมธุระสองประการนี้คือหนึ่งขันธะธุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสองวิปัสนาธุระการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเ ห, เห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุเพื่อการหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือธุระของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้แก่ชาวพุทธทำกันถ้าต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็จำเป็นที่จะต้องทำธุระสองประการนี้ถึงจะได้รับประโยชน์คือวิมุตติหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพที่ไม่มีใครจะสามารถหลุดออกจากตลายภพนี้ไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า มาเป็นผู้นาพาให้ออกไปถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์คือจะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องมาเกิด ในยุคในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนผู้บอกทางให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบดังนั้นเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว จึงถือว่าเป็นผู้มีโชคมหาศาลเ<ม>พราะโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายใด<ม>เป็นของที่ยากมากการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นของยากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหรือพระอริยสงสาว mm. ก็เป็นของยาก mm. น, นานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัตรู้แลมประกาศพระธรรมคำสอนสักครั้งหนึ่ง mm. คำว่านานนี้ก็คือหลายล้านลาน้ลานปีด้วยกันถึงจะมี พระพุทธเจ้ามาตรัสรุ้สักหนึ่งรูปหนึ่งองค์แล้วหลังจากนั้นก็จะทรงประกาศพระธรรมคำสอนเพื่อให้มีผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอริยสงสารเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วนะแต่พระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาร ข, ของพระพุทธเจ้านะยังอยู่ต่อนะอยู่มาจนถึงวันนี้ 2,500 กว่าปีหลังจากที่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปนะโลกนี้ยังไม่ปราศจากพระธรรมคำสอน ยังไม่ปาสจาพระอริยสงสาวงผู้ที่จะเป็นเหมือนกับมักกุเทศเป็นผู้นำทางผู้ที่ต้องการที่จะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องการออกจากสังสารวัฏคือออกจากไตรภพได้แก่การมพภพรูปภพและอรูปภพ จะมีโอกาสได้ออกกันถ้ายังมีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงสาวกเป็นผู้นำทางตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เรายังมีพระธรรมคำสอนเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษากันจากสื่อต่างๆทั้งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอง ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระธรรมคำสอนที่พระอริยสงสาวกแต่ละพระ อ, องค์แต่ละรูปได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอน <Yeah. S 2> เป็นธรรมที่เรียกว่าสวากขาโตภะ ว, วตาธรรมโม <Yeah. S 2> เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วทุกประการ ทั้งเหตุและทั้งผลเหตุคือการดำเนินเพื่อให้การหลุดพ้นปรากฏขึ้นมาผลก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราไม่ควรจะลังเลสงสัยว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้ ยังสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามได้หรือไม่เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงตัดไว้แล้วว่าเป็นอาการลิโกคือไม่ขึ้นกับการเวลาคือไม่เสื่อมไปกับการเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเสื่อมไปกับการกับเวลาเช่นถาวรลวัตถุต่างๆที่พวกเราอาจจะได้ไปเห็นกันที่ประเทศอินเดีย<ม>ที่เราไปสังเวชนียสถานสี่เราจะไม่ได้เห็นถาวรลวัตถุที่ดั้งเดิมเพราะถูกการเวลานี้ทำลายไปหมดม เดียวแต่ซากเปลัาหักพังแต่พระธรรมคำสอนนี้ไม่ได้เป็นฐาวรวัตถไุไม่เป็นวัตถุไม่เป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรม ท, ที่ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาที่สามารถที่ยังประโยชน์ได้เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพระธรรมเหล่านี้ไว้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ที่ยังให้เกิดพระ อ, อริยสงสาวกต่างๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากตอนนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกแล้วผู้ใดสามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้ย่อมบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าใครศึกษาพระธรรมจกกักรปวัฒตนสูตร และสามารถน้อมจิตน้อมใจให้เข้าถึงพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนกับตอนที่ได้ทรงแสดงไว้ให้กับพระปัญจวัคคีทรงแสดงธรรมจักรกับปวัธนสูตรแสดงเรื่องการปฏิบัติมรกแบบเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมร เริ่มตายรักอันนี้จังทุกขงังอนตตหลังจากที่ได้ทรงแสดงเสร็จนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุเป็นพระเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสิ่งที่ทำให้พระอัญญาโกนธัญญะนี้บรรลุได้ก็เพราะว่ามีภาชนะรองรับธรรมอันประเสริฐนี้ ธรรมนี้ก็เป็นเหมือนอาหารอันโอชะการที่เราจะรับประทานอาหารอันโอชะได้เราต้องมีภาชนะเช่น huh. มีจานไปจานไปตัดมาจากหม้อมาใส่จานของเราหม้อของธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้บวงแต่งอาหารอันโอชะคือพระธรรมอันประเสริฐในพระทัยของพระพุทธเจ้า แล้วส่งถ่ายทอดออกจากพระทยสู่ใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะรับทรมันประเสริญนี้ได้จะต้องมีภาชนะรองรับมีจานพระพุทธเจ้าจะตักอาหารอันวิเศษให้พวกเรารับประทานกันแต่พวกเราจำเป็นที่จะต้องมีภาชนะไปรองรับอาหารอันนี้ ถ้าไม่มีภาชนะเอามือเปล่ า, เ, ลาเดี๋ยวก็ถูกอาหารที่ร้อนสดๆร้อนๆนี้ไหม้มือได้เผามือได้แล้วจะไม่สามารถที่จะเอามารับประทานได้จาเป็นที่จะต้องมีภาชนะภาชนะที่จะรองรับพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั้นก็คือหนึ่งศีลที่บริสุทธิ์สองสมาธิ คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในอุเบกขา mm hmm. คือระดับอัปปนาสมาธิ mm hmm. นี่คือภาชนะที่พระปัญจวคีทั้งห้านี้ mm hmm. มีรองรับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า mm hmm. พอพระพุทธเจ้าตัด mm hmm. อาหารอันโอชะคือธรรมรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง mm hmm. แสดงธรรมออกมาแสดงมรรคแปดอริยสัจสีพระปัญจวัคคีย์ก็น้อมรับเข้ามาได้ทันทีแต่ผู้ที่ได้ริมลดก่อนเพื่อนนี้คือพระอัญญาณโกนทัญญาเพราะมีความแก่กล้าในปัญญา ปัญญาอินทร์ปัญญาอินทร์หรือในปัญญาคือในในปในัญญาพระปัญจวัคคีทั้งห้านี้ก็มีพระปัญจวัคคีนี้ที่ฉลาดกว่าที่สุดเนี่ยเป็นถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งส่วนอีกสี่รูปนั้นได้มีปัญญาลองลงมาคือสองสามสี่ ต้องใช้เวลาไปทำการบ้านอยู่สักระยะหนึ่งถึงจะสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงได้คือพระอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมักว่าทุกของใจเกิดจากสมุทยัยคือความอยากต่างๆและทุกจะดับได้ก็ต้องเกิดจากมัก คือสติปัญญาที่แหลมคมที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมต่างๆที่ทำให้ใจไปติดไปไปทุกข์ด้วยพระพระอัญญาณโกณฑญญานี้เป็นคนที่ฉลาดพอฟังปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเลยคิดตามได้ปฏิบัติตามได้ ละสมุทัยได้ละภาวะวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขาราก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง เช่นร่างกายก็เกิดจากการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมาก่อให้เกิดร่างกายที่มีอาการสามสิบสองขึ้นมาแล้วร่างกายที่มีอาการสามสิบสองนี้ก็จะเจริญเติบโตไปตามตามเวลาแล้วก็จะเสื่อมแล้วก็จะแก่จะเจ็บจะตายไปในที่สุด อร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันก็แยกตัวออกจากกันไปร่างกายที่เคยเป็นในกอนในขอก็หายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่คือเห็นอนิจจงความไม่เที่ยงเห็นอนัตตาการไม่มีตัวตนในร่างกาย เห็นทุกขังที่เกิดจากวิภาวะทันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายของร่างกายนั่นเองแต่พอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปหรือต้องดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญาณกกนทัญยะเข้าใจความจริงอันนี้เลยสามารถ หยุดภาวะวิภาวะตัณหาได้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะเห็นถ้าไม่หยุดความอยากนี้ก็ใจก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์กับร่างกายไปเรื่อยๆ mm hmm. พอหยุดความอยากนี้ได้ตัดความอยากนี้ออกไปจากใจได้ mm hmm. ความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่กับความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายก็หายไปหมดนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและยังมีการบันทึกจดจำมาจนถึงปัจจุบันนี้ ใ, ใครอยากจะบรรลุเป็นพระโสดาบัน<ม>เหมือนกับพระอัญญาณโกนทัญญะ<ม>ก็ไปศึกษาได้เลยศึกษาแล้วลองดูว่าปฏิบัติได้ไั้มมีคุณสมบัติมีภาชนะลองรับธรรม นี่ได้หรือไม่มีสัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรหรือไม่คือศีลมีศีลที่บริสุทธิ์หรือไม่มีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือไม่มีความเพียรที่แก่กล้าที่สามารถที่จะทำให้มีสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ จนทำให้จิตสามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการหไม่นี่คือภาชนะที่จะมาลองรับสัมมาทิฏิกับสัมมาสังโปร์ที่พระพุทธเจ้าสแสดงออกมาจากพระไทยของพระองค์สแสดงสัมมาทิฏฐิก็คืออริยาาสัจสีทุกที่เกิดทุกสมุทัยนิโรธมาทุกที่จะทุกของใจเกิดจาก ความอยากของใจทุกของใจจะดับได้ก็ต้องดับด้วยมรกคือสติปัญญาสมาธิสีนสมาธิปัญญาผู้ฟังจะต้องมีสีนต้องมีสมาธิเพราะปัญญานี้จะมารับจากพระพุทธเจ้าอีกทีนั่นเองรับอริยาาสัจสีรับตายรักไปเป็นพิจารณา แล้วพอเห็นความจริงแล้วความอยากที่เคยมีก็จะหายไปเพราะถ้าปล่อยให้เกิดความอยากเหล่านี้อยู่ก็ยังจะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆนั่นเองแล้วไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์กันทุกคนนี้ต้องการจะกำจัดความทุกข์กันด้วยกันทุกคนแต่ที่ยังกำจัดไม่ได้ก็เพราะยังไม่เห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนั่นเอง แต่พอได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ <Yeah. S 2> แล้วมองเข้าไปในใจก็จะเห็นทันทีอ๋อความอยากไม่แก่ของเรานี่ อ, อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนา น, าน <Yeah. S 2> อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากมีสุขภาพแข็งแรง <Yeah. S 2> อยากมีอายุยืนยาวนาน <Yeah. S 2> ไม่มีวันตาย yeah. ความอยากเหล่านี้แหละที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์เวลาที่ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปลบล้างได้ไปเปลี่ยนได้พอรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากนี้ก็หยุดความอยากนี้เท่านั้นเองจิตที่มีอัปปนาสมาธิก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไป เวลาแก่ก็สักแต่ว่ารู้แก่เวลาเจ็บก็สักแต่ว่ารู้ว่าเจ็บเวลาตายก็สักแต่ว่ารู้ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปนี่คือพระสูตรที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงพระสูตรอีก สูตรหนึ่งเรียกว่าอนัตตระกนัตสูตรแสดงขันห้าว่าเป็นอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณาอนัตตาขันหก็คือร่างกายและจิตใจของพวกเรานี่ความรู้สึกนึกคิด คือความรู้สึกก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราเรียกโดยรวมว่าคือความรู้สึกนึกคิดและร่างกายที่เรามีกันอยู่นี้ร้วนเป็นอนัตตาทั้งสิน้นคือไม่มีตัวตนในในขันหานี้ไม่มีตัวตนในร่างกายอย่างที่เราคิดกันเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรากัน เป็นเพียงแต่ความคิดความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> ดินน้ำลมไฟก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีธาตุดินเข้าไป <Yeah. S 1> ผักเอยข้าวเอยมาจากไหนก็มาจากดินทั้งนั้น เวลาจะปลูกผักปลูกที่ไหนก็ต้องปลูกบนดินไปปลูกบนอากาศมันไม่ได้หรอกไม่มีไม่มีที่จะเกิดต้นข้าวขึ้นมากลางอากาศได้ไม่มีต้นไม้ต้นอะไรต่างๆเกิดขึ้นกลางอากาศได้หรือไปปลูกในน้ำก็ไม่ได้ต้องมีดินดินนี่แหละที่แปลงกลายเป็นต้นไม้กลายเป็นเมล็ดข้าวกลายเป็นผ ล, ลไม้เป็นอะไรต่างๆ แล้พอเรารับประทานเข้าไปในร่างกายก็เท่ากับว่าธาตุดินเข้าไปในร่างกายนี้ส่วนธาตุไฟก็ความร้อนนี่ไงนั่งนั่งอยู่เนี่ยโลกนี้มีอุณหภูมิมีความร้อนเพราะมีแสงอาทิตย์มีความร้อนจากดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกนี้จะกลายเป็นโลกหิมะไปหมดจะไม่มีคนอยู่ได้จะตายหมดจะไม่มีร่างกายอยู่ได้เพราะว่า มันไม่สามารถที่จะทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะว่าข า, าดธาตุไฟต้องมีธาตุไฟที่พอประมาณถ้ามากเกินไปก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันลุกเป็นไฟนซึ่งตอนนี้คงได้ข่าวาวเรื่องไฟป่าเพราะว่าไฟป่าจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความร้อน คือธาตุไฟจะมีมากขึ้นเกิดจากการผลิตกา๊าซที่มาคอยคุมไม่ให้ความร้อนลุดออกจากผิวโลกมันก็เลยสะสมบนผิวโลกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ไฟนี้สามารถลุกขึ้นได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ การใช้ชีวิตแบบไม่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นการใช้ชีวิตที่ฝืนธรรมชาติจึงสร้างปัญหาต่างๆตามมาแต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดก็คือเรื่องท่าทั้งสี่นี่ที่มารวมตัวกันในร่างกายของพวกเรา จึงมีร่างกายให้พวกเราได้ได้ยึดได้ถือว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันเป็นเพียงร่างกายที่ทำมาจากทมาจากดินน้ำลมไฟที่มาทำอาการสามสิบสองนี่ผมนี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็ทำาทำด้วยธาตุดินผมขนเล็บฟันต่างๆอันนี้มีธาตุดินเป็นส่วนผสมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่มีธาตุน้ำเป็นผสมกับพวกน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเลดน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็เป็นส่วนที่ทำมาจากธาตุธาตุน้ำเป็นส่วนใหญ่ธาตุลมก็เป็นส่วนที่เราหายเข้าหายออกหายใจเข้าหายใจออกเอาลมเข้าไปแล้วก็เอาลมเก่าออกมาก ต้องเปลี่ยนลมเพราะลมที่เข้าไปนี้มีสิ่งที่ร่างกายต้องการที่จะไปทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปได้ต้องมีธาตุลมไปผสมกับธาตุน้ำไปผสมกับธาตุดินในร่างกายจึงทำให้มีอาการสาสบสองต่างๆปรากฏขึ้นมา และมีอยู่อย่างต่อเนื่องได้ <Yeah. S 1> เราเติมดินน้าลมไฟเพื่อที่จะไปรักษาหรือไปต่อเติมอาการสาสิบสองให้มันอยู่ไปต่อไปได้นาน <Yeah. S 1> ผมมันก็ได้งอกขึ้นมา <Yeah. S 1> มงอกขึ้นมาเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มีดินน้าลมไฟไม่เอาดินน้ำลมเข้าไฟเข้าไปในร่างกายนี้ <Yeah. S 1> การจเจริญเติบโตหรือการ การอยู่อย่างต่อเนื่องของอาการสามสิบสองก็จะหยุดชะ ง, งักลงพอไม่หายใจปใั๊บพอขาดธาตุลมไปเท่านั้นเองทุกอย่างในร่างกายนี้ก็หยุดทำงานทันทีหัวใจก็ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุลมอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่ทำงานเพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายก็จะหยุดทำงานทันที นี่คือการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วถ้าลองไปค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายก็จะหาไม่เจอถ้าคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราลองเข้าไปค้นดูสิว่าในอาการสามสิบสองนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรออยู่ที่ขนหรออยู่ที่เล็บหรอืออยู่ที่ฟันหรอถ้าเราเป็นผม เวลาตัดผมไปเราก็ต้องหายไปเวลาโคนหัวไปเนี่ยไม่มีผมเหลืออยู่บนศีรษะเราเราก็ต้องหายไปกับผมเลยแต่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราก็ยังอยู่เท่าเดิมถอนฟันไปกี่ซี่มันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่สมัยนี้มีการเอาอวัยวะของคนอื่นมาเปลี่ยนก็ยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้เป็นนายกรนายขอที่เอาอวัยวะของเขามาเปลี่ยนเอาไตของนายกรมาใส่ความรู้สึกว่านายกรอยู่ในร่างกายเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ารับยังเป็นเราอยู่นั่นเอาไตของคนอื่นมาใส่เอาหัวใจของคนอื่นมาใส่ความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่มันก็ยังเป็นเราอยู่นั่นเพราอวัยวะเหล่านี้มันไม่มีตัวตนมันไม่มีใครเป็นเจ้าของ ถึงม้จะเอามาจากในกองในกองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอวัยวะเหล่านั้นเพียงแต่เอามาใส่เหมือนชิ้นส่วนรถยนต์นี่ยชิ้นส่วนรถยนต์เอามาใส่รถคันนี้มันก็ไม่ได้หมายเขามารถคันนี้กลายเป็นรถคันคันนั้นไปแล้วมันก็ยังเป็นรถคันนี้อยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเรามีจริงหรือไม่ลองคน้นเขไปดูสิมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา มีเราอยู่ในร่างกายนี้ <Yeah. S 1> เหมือนกับเวลาที่เราหากุญแจในสมมติว่ากุญแจหายแล้วเราคิดว่าเราคกไว้ในกระเป๋า uh huh. ถ้าอยากจะรู้ว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าทําไงก็เทกระเป๋าออกมาสิ uh huh. ของในต่างๆที่มีอยู่ในกระเป๋าเทออกมาให้หมดแล้วลองดูสิว่ากุญแจที่เราหาอยู่นี่มันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า uh huh. ถ้าเทออกมาแล้วไม่มีมีแต่ของอย่างนีง้ ก็แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของเราเป็นความคิดของเราเองเป็นความหลงผิดของเราเองอันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกให้แยกแยะร่างกายแลกแยกแยะอาการสามสิบสองออกมาค้นออกมาหาดูว่าในร่างกายนี้ที่มีสามสิบสองอาการนี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างค้นไปเถิดไม่ดีหรอก พาออกมาถ้าชันสูบสดผ่ากมาได้ก็ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายผ่าออกมาก็จะเจอแต่อวัยวะต่างๆเจอปอดเจอตับเจอหัวใจเจอลำไส้เจอสมองเจอโครงกระดูกเจอน้ำต่างๆน้าเลือดน้าเหลืองอะไรต่างๆที่มีอยู่แต่ไม่เจอตัวตนไม่เจอตัวเราเพราะว่าตัวเรามันไม่มีในร่างกายนี้ นี่คืออนัตตานี่คือการศึกษาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดแล้วเราคือใครเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเรานั้นเองพอเราหยุดคิดปับ๊บความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราก็หายไป เช่นเวลาทำสมาธิจิตสงบจิตหยุดคิดจิตไม่ปรุงแต่งจิตสักแต่ว่ารู้ความคิดความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรามันก็หายไปจากความรู้สึกจากผู้รู้อันนี้ต้องพิสูจน์ได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยต้องแยกจิตออกจากร่างกายให้รู้ว่าจิตเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง แล้วไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา <Yeah. S 1> พอแยกด้วยสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิเวลากลับมารวมอยู่กับร่างกาย mm. ก็ต้องคอยสอนใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนยรู mm. ปังอนัตตาเนี่ยที่ท่านบอกให้สวดกันเงงงเรื่อยๆเนี่ยคือให้สอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราอนัตตา mm. เวทนาก็ไม่ใช่เราความรู้สึกที่เกิดจากร่างกายมันก็ไม่ใช่เราก็มันเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราแล้วเวทนาที่เกิดจากร่างกายมันจะเป็นเราได้ไงเวลาร่างกายเจ็บเราเจ็บหรือหรือร่างกายเจ็บที่เราไปเหมาพอไปเหมาว่าร่างกายเป็นเราเวลาร่างกายเจ็บเราก็เลยเราก็เลยเจ็บไปกับร่างกายไปด้วยแต่ถ้าเรารู้จักแยกแยะแล้วต่อไปใจเราจะไม่เจ็บ กับร่างกายเวลามีทุกขเวทนาก็รู้ว่าเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของอนัตตาไม่มีตัวตนสัญญาสังขารก็เป็นความจำได้หมายรู้ความคิดมันก็เป็นสภาวะรมเป็นนามธรรมที่ผุดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็หยุดเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆคิดเรื่องนี้แล้วก็หยุดคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อจาเรื่องนี้ได้แล้วก็ หยุดจำเรื่องนี้ก็ไปจำเรื่องนั้นต่อนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามเรื่องของมันบางทีจะไปบังคับให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดสั่งมันไม่ได้เสมอไปอยากให้บางทีคิดแล้วปวดหัวอยาก ใ, ให้มันหยุดคิดมันก็ไม่ยอมหยุดจำเรื่องที่ไม่ควรจะจำมันก็จำอยู่นั่นจำแล้วก็ทำให้เราทุกข์กันเพราะมันเป็นอนัตตา มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใจผู้รู้ผู้ผู้สั่งการถึงแม้มันจะอยู่กับใจแต่ใจก็บางทีก็สั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นสภาวะธรรมเป็นอนัตตา <c oughs> อันนี้ต้องพิจารณาขันห้าให้อยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าขันห้ามันเกิดดับเกิดดับเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ดินฟ้าอากาศที่เราไปสั่งมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้จะสั่งให้มันตกจะสั่งให้ฝนตกก็ไม่ได้จะสั่งให้แดดออกก็ไม่ได้ชั้นใดขันห้าเราก็จะไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้สั่งให้เวทนาเป็นเพียงแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้มันมาตามเรื่องของมัน เราสิ่งที่เราทำได้ก็คือสอนใจให้รับกับความจริงของมันรับกับความจริงของร่างกายรับกับความจริงของเวทนาแล้วใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของใจเรื่องขอ ง, ของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจก็เป็นอนัตตาอารมณ์ความความรู้สึกต่างๆของวันก็รู้สึก ซึมเศร้าบางวันก็รู้สึกเบิกบานบางวันก็ตื่นเต้นบางวันก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนดินฟ้าอากาศที่มันไปมันมาตามเรื่องของมันถ้าเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงเหตุที่ทําให้มันเกิดอารมณ์เหล่านี้ได้เราก็ต้องปล่อยวางมันไปตามตามเรื่องของมัน มันจะซึมเศร้าก็รู้ว่ามันซึมเศร้าไม่ต้องไปซึมเศร้ากับมันผู้รู้ไม่ต้องไปซึมเศร้ากับอารมณ์มันจะดีใจก็ไม่ต้องไปดีใจกับอารมณ์ผู้รู้ให้รู้เฉยๆแล้วผู้รู้จะไม่ทุกข์การปฏิบัตินี้เพื่อสอนผู้รู้ไม่ให้ไปทุกข์กับขันห่านั่นเองไม่ให้ไปทุกข์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมอารมณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในใจนี่แหละเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาที่ใจนี้ผู้รู้ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอบางครั้งบางเวลาก็ควบคุมได้บางครั้งก็ควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าไม่เกิดความอยากขึ้นมา ถ้าไม่เกิดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์เวลาซึมเศร้าอย่าไปอยากให้มันหายซึมเศร้าถ้าไม่รู้จักวิธีทำให้มันหายอย่าไปอยากอยากเฉยๆมันทำให้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้จักเหตุว่าอะไรทำให้มันซึมเศร้าแล้วรังงับเหตุนั้นได้ก็ทำไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับมัน อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่ซึมเศร้ามันซึมเศร้าก็รู้ว่ามันซึมเศร้าแต่ผู้รู้นี่กับอารมณ์นี้เป็นคนละส่วนกันผู้รู้เป็นผู้รู้รู้อารมณ์อารมณ์เป็นตัวแสดงเป็นเหมือนคนดูคนดูภาพยนตร์ภาพยนตร์กับคนดูเป็นคนละส่วนกันคนดูก็ดูไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีใจไปกับภาพยนตร์แต่ส่วนใหญ่เวลาดูแล้วเผลอ ลืมไปลืมว่าตนนัวเองเป็นคนดูไปเป็นคนแสดงเส้อแทนไปดีใจไปเสียใจไปตื่นเต้นตกใจกับตัวแสดงเนี่ยเราไปดีใจตื่นเต้นตกใจกับขันหะกับธรรมอารมณ์พอร่างกายดีก็โอ้ดีออกดีใจพอหายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีใจพอมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ก้มใจขึ้นมา ใจไม่ควรที่จะไปดีใจไปกุ้มใจถ้าใจรู้ทันว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เสมอบางทีเราไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาไม่อยากจะป่วยมันก็ป่วยขึ้นมาแต่มันป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปเราเป็นเพียงคนดูมันเท่านั้นเองไม่ต้องไปป่วยไปกับมันไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจไปกับมันถ้ามีปัญญาจะแยกใจออกจาก ขันห้าได้ออกแยกออกจากธรรมอารมณ์ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของขัน<ม>ของอารมณ์ต่างๆที่ผันไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของมันมอันนี้ก็เรียกว่าการแสดงอนัตรรตลักษณ์กนัสูตรสูตสุดอันที่สองที่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับพระปัจจวัคคีสูตรแรกนี้ ทำให้ผู้ฟังคือธรรมจักนี้บรรลุปเป็นพระโสดาบันได้แต่ยังไปไม่ถึงขั้นอหรอหรันต์อรหัตตมรรคต้องสอนอนัตตลักษณ์คณะสูตรพอสอนอนัตตลักษณคณะสูตรก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปพร้อมๆกันเลยพอแสดงธรรมอันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผู้ฟังทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันต์ตรสาวกขึ้นมาปรากฏมีพระอรหันต์ในโลกนี้ขึ้นหรูปด้วยกัน รูปที่หนึ่งก็คือพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในค่ารูปก็เป็นพระอาหารหันตาสาวกเนะ่ยพระอาหารหันจึงมีสองชนิดด้วยกันพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้เป็นพระอาหารหันด้วยความสามารถของตนเองคือพระพุทธเจ้าด้วยการตัดสืรุธรรมของตนเองเราก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอาหารหันเหมือนกัน แต่เราเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต<ม>์เนื่องจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกคําว่าสาวกก็คือผู้ศึกษาี่ผู้เล่าเรียนหรือผู้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอีกทีนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอน ธรรมจักรกับประวัตินสุร CH. ไม่มาสอนอนัตตลักษณสูตรดพระปัจจาวคีก็จะไม่มีวันที่จะเป็นพระอริยะสงสาวกขึ้นมาได้ไม่มีวันที่จะเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนเท่านั้นถ้ายังไม่ม <antes> <idd> ีพระพุทธเจ้านี้พระอรหันตสาวกเกิดขึ้นไม่ได้ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรลุนีไม่มีพระอรหันตสาวกแม้แต่รูปเดียว เป็นเวลาหลายล้านล้านปีด้วยกันหลายกลับด้วยกันไม่มีพระอาหารหันตสาวกเลยแม้แต่รูปเดียวแต่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยพออีกสองเดือนต่อมานําเอาทำอันประเสริฐนี้มาเผยแพร่มาสั่งสอน <c oughs> เพียงพอแสดงทำปับ๊บเนี่ย <c oughs> ก็เกิดบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาอย่างรวเดเร็วอย่างง่ายดาย ท่านเหล่านี้มาติดอยู่ตรงที่ขั้นของสมาธินี่เองไม่รู้ทางที่จะไปสู่ขั้นปัญญาว่าไปอย่างไรไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรไม่รู้ว่าปัญญาที่จะมาดึงจิตให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญก็ติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันไปศึกษากับครูบาอาจารย์กี่รูป ก, กี่รูป ก, ก็สอนได้เพียงแต่ขั้นสมาธิเท่านั้นเอง ดับทุกได้เฉพาะช่วงเข้าสมาธิทําใจให้สงบแต่พอออกจากสมาธิมาปั๊บพอจิตเริ่มปรุงแต่งจิตเริ่มคิดเริ่มอะไรก็เกิดตัณหากิเลส ข, ขึ้นมาทันทีกิเลสตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเกิดจากความคิดว่าไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความยึดติดขึ้นมาทันที จึงไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรหยุดได้เพียงชั่วคราวในขณะเข้าไปในสมาธิพระพุทธเจ้าอยากจะหลุดอย่างถาวรก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็พบว่าขณะที่จิตอยู่ในสมาธินั้นความทุกข์หายไปเพราะกิเลสไม่ทำงานนั่นเอง กิเตัณหาตอนที่อยู่ในสมาธิมันทำงานไม่ได้เพราะความคิดไม่ทำงานไม่ได้คิดถึงร่างกายมันก็เลยไม่มีความกลัวไม่มีความทุกข์กับร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายก็คิดถึงความแก่ของร่างกายความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีก็หลายคนพบว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากความคิดที่คิดไปในทางความอยากนั่นเอง ความอยากที่ฝืน sheet. ที่ขัดกับความเป็นจริงคิดไปอยากไม่แก่อันนี้มันขัดกับความเป็นจริงเพราะความจริงนี้มันต้องแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ขัดกับความเป็นจริงเพราะร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายมันก็ขัดกับความเป็นจริงเพราะความจริงมันต้องตายกันแล้วพอคิดไปอีกทางหนึ hmm. ่งคิดว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่ทุกข์ทันที เราคิดว่ามันต้องตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็หายไปเนี่นีแหละคือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาอยู่ในใจของเรานี่เองแต่มองไม่เห็นกันว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ผลิตความทุกข์ให้กับพวกเรานี้ก็คือความอยากของพวกเราความความอยากที่ขัดต่อความเป็นจริง อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นของที่เรามีอยู่ในโลกนี้แต่เราก็ยังฝืนกันยังคิดกันว่าเป็นของเราอยู่นั่นแล้วพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาปั๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีพอมันจากเราไปมันไม่ได้เป็นของเราแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันที อันนี้แหละคือความสามารถที่ไม่มีใครจะเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครมองเห็นตัวนี้มองไม่เห็นตัวความอยากเนี่ยความอยากว่าเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ที่เป็นตัวที่ดึงจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อมาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายทุกภพทุกชาติไปไม่มีวันสิ้นสุดนง พอตัดความอยากนี้ได้พบเนี่ยใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะความอยากที่จะมีร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยาก <Yeah. S 1> ก็ไม่มีเสียแล้วเพราะไม่มีความอยากโือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผัภเนี่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย <Yeah. S 1> ถึงจะเสพได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย <Yeah. S 1> ก็ไม่มี ไม่สามารถที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็เลยต้องเวลาไม่มีร่างกายเวลาเป็นดวงวิญญาณก็ต้องไปคอยรอรับร่างกายใหม่ต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเกิดแต่ละครั้งก็ต้องทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. อันนี้แหละคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่กับพวกเราอยู่ทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าตอนจากก่อนจจากพวกเราไปท่านบอกว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระาศาสดาเพราะทำที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเราต่อไปไปศึกษาสองพศนี้ก็บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้แล้วไปศึกษาธรรมจากกับปวัตนสูตรกับอนัตตลักษณะสูตรถ้าไม่รู้วิธีที่จะเจริญมรรคเช่น ไม่รู้จะวิธีเจริญสัมมาสติสัมมาสามาธิสัมมาสังกปว่าให้เจริญอย่างไรก็ไปศึกษาข้อสูตหนึ่งที่ท่านทรงแสดงให้พวกเราใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสติสา ม, มาธิปัญญาก็คือสติปัฏฐานสี่นี่ข้อสูตรนี้ก็จะสอนให้เราเจริญสติกันสอนให้เราเจริญสมาธิด้วยการนั่ง นั่แล้วก็ดูลมหายใจเข้าเรียกว่าอาณาปนสตินพอเราได้สมาธิแล้วที่ก็สอนให้เราเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตานอันนี้หละเป็นพะสูตนที่จะสอนให้ผู้ที่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาใช้เป็นแนวทางของการ สร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมานี่คือธรรมที่ทำให้พวกเรานี้ยังสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการิิโก ไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรพระอนัตตลักษณ์กนะสูตรพระสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสมัยพุทธกาลสองพันหร2500กว่าปีนั้นยังเป็นพระสูตรอันเดิมอยู่ยังเป็น <c oughs> ถ้าเป็นยาหมองก็ยังเป็นยาหมองอันเดิมอยู่เวลาคันมดกัดอยาหมองทา เอาอยามองอันนี้มาทาก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อยู่ทุกประการไม่ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลามีประสิทธิภาพเหมือนกันหมดทุกอย่างอยู่ที่ผู้ที่จะเอามาใช้ได้หรือไม่นั้นเองใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นนั้นเองเป็นเหมือนเครื่องมือเพราะตามคำสอนนี้เป็นเหมือนเครื่องมือ มันมีการแสดงว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเรือที่จะพาเราข้ามฟากพระธรรมคําสอนต่างๆนี้เป็นเหมือนเรือเราต้องอนั่งเรือแล้วก็หัดพายเรือนี้ข้ามฟากไปเท่านั้นเองถ้าเราพายได้นั่งเรือนี้ได้พายเดี๋ยวเราก็ข้ามฟากได้ข้ามฟากจากสังสารวัฏไปสู่ฟ้าของพระนิพพานได้ต้องอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นผู้นําเราข้ามฟ้ากกันเราจะข้ามฟากเราก็ต้องมาศึกษาเนี่ยอย่างที่ได้แสดงไว้ในตอนต้นว่าเรามีทุระสองทุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราไว้ก็คือคันถะทุระศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเราก็อาจจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกแล้วผลที่พึงจะได้รับก็จะไม่เกิดขึ้นมาและอาจจะเป็นผลเสียต่อการผู้ปฏิบัติก็ได้เพราะปฏิบัติแบบหลงทาง การศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่การดูทิศทางของจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปว่าอยู่ตรงไหนอยู่ทิศเหนืออยู่ทิศใต้อยู่ทิศ ต, ต, ต, ต, ตะวันออกหรืออยู่ทิศ ต, ตะวันตกแล้วจะไปนี้ต้องใช้ถนนสายไหนถึงจะไปถึงได้ต้องมีการศึกษาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะไปก็ไปขับรถออกจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นไปถนนเส้นไหน จะไปทิศไหนดีไปทิศเหนือทิศใต้มันก็เป็นเหมือนขับรถแบบคนตาบอดขับคนตาบอดขับแล้วก็รู้ว่าจะไม่รู้ทิศทางว่าทิศทางนี้ไปทิศไหนกันบ้างไปสู่จุดไหนไปสู่จุดหมายปลายทางตรงไหนต้องศึกษาแผนที่ก่อนจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนี้อยู่ทิศเหนือหรืออยู่ทิศใต้แล้วเส้นทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น มีชื่อว่าอย่างไรเขาจะมีเขียนชื่อไว้เขียนหมายเลขไว้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามเราจะได้ไปถูกเส้นทางเมื่อไปบนเส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราออกเดินทางไปบนเส้นทางนั้นเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้คือคันธะธุระศึกษาทางก่อนศึกษาแผนที่ก่อน ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนีจะไปอย่างไร <Yeah. S 2> ท่านก็สอนว่าต้องทำทาน <Yeah. S 2> ต้องรักษาศีล <Yeah. S 2> ต้องภาวนา <Yeah. S 2> นั่งสมาธิทำใจให้สงบจเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมให้เห็นใจรั ก, <Yeah. S 2> กเห็นอริยสัจสี่ yeah. อันนี้คือทางที่พวกเราต้องไปกันเราก็เราต้องรู้ว่าทาทานอย่างไรถึงจะเรียกว่าทาทานที่ถูกต้องรักษาศีลอย่างไรถึงจะรักษาศีลที่ถูกต้องภาวนาอย่างไรเพื่ออะไรบางคนทาทานแล้วก็ทาหวังไปสวรรค์ไปร่าไปรวยกลับมาเกิดใหม่ให้รวยกว่อเก่าให้สวยกว่อเก่าอันนี้ก็ยัง เป็นความเข้าใจผิดถ้ายังกลับมาเกิดถึงแม้จะรวยเ ก, ก่าๆสวยเ ก, ก่าๆมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบเก่านั่นแหละมันก็ต้องทุกข์ตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตา ย, ยางนั้นการทำทานไม่ได้ทำเพื่อให้ร่ำให้รวยให้กลับมาเกิดให้สวยให้ดีกว่าเก่าแต่ทำเพื่อให้เราจะได้มีกำลังที่จะไปรักษาศีลต่อไป ถ้าเราทำบุญทำทานใจเราจะมีเมตตามีกรุณาจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจะสงสารผู้อื่นจะช่วยอยากจะช่วยเหลือผู้ให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยเวลาจะทำอะไรจะต้องคอยระมัดระวังว่าไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าก็จะมีสีล ข, ขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าไปฆ่าสัตว์นี้ไม่ได้แล้วฆ่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปลักทรัพย์ก็ทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ไปประพฤติผิดประเวณีก็ทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปโกโหกหลอกลวงก็ทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อน <Okay. S 1> คนที่มีความเมตตาคนที่ทำบุญทําทานก็จะไม่กล้าทำไม่ทาไม่อยากทำ <Okay. S 1> ก็จะรู้สึกว่ารักษาศี่ห้านี้ได้อย่างง่ายดาย <Okay. S 1> ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญทําทานคนที่ไม่ชอบทาบุญทาทานนี้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัว okay. ชอบจะทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้วจะไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือไม่ไม่สนใจจัดงานก็เปิดเสียงดังลั่นชาวบ้านอยู่ข้างบ้านนอนไม่หลับกันก็ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาเพราะต้องการความสุขของตัวเองอย่างเดียวแต่คนที่มีความเมตตาจะต้องคำนึงก่อนถ้าจัดงาน ก็อย่างน้อยก็ต้องเชิญคนข้างบ้านมาเขาจะได้ร่วม ง, งานด้วยเขาจะได้ไม่บ่นเราจะได้เปิดให้มันมั่นได้แต่ถ้าเราจัดงานแล้วไม่เชิญเขาเขานอนฟังเสียงดังแล้วเขาก็นอนไม่หลับ น, น, นี่คือทำบุญทำทานเพื่อให้เกิดความเมตตาเกิดความการุณาเพื่อที่จะทําทให้จะได้ไปรักษาศีลได้ ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพอรักษาศีลห้าได้ต่อไปก็เห็นคุณค่าของศีลก็อยากจะรักษาเพิ่มเพราะว่าเวลามีศีลแล้วใจสบายไม่ไปทั้งสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่น <c oughs> ก็จะรักษาศีลเพิ่มแต่ศีลที่จะเพิ่มนี้รักษาเพื่อรักษาตนเองให้ให้สบายมากขึ้นเพราะว่าศีลศีลแปดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เรา ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นให้เราหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้ให้ความสุขกับเราบางทีก็กลายเป็นความทุกข์ <Yeah. S 1> เวลาไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจอยากไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็เสียใจ <Yeah. S 1> ก็ มารักษาศีลแปดหัดอยู่บ้านดีกว่าหัดอยู่เฉยๆอยู่กับที่อย่าไปหาความสุขจากภายนอกเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขจากภายในคือความสงบเอ่อเอมาถือศีลแปดได้ก็จะทำให้เรามีเวลาว่างไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดความสุขภายนอกจากสิ่งภายนอกเราก็สามารถอยู่กับที่ได้อยู่กับบ้านหรืออยู่กับวัดได้ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาภาวนาได้ <Yeah. S 1> มาทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขที่เกิดจากการภาวนา yeah. Yeah. การภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้น <Yeah. S 1> ขั้นแรกก็ทำความสงบความสุขแบบชั่วคราวก่อนเ <Yeah. S 1> พราะง่ายกว่าความสุขแบบถาวร <Yeah. S 1> ขั้นที่สองเป็นการทาความสุขใจแบบถาวรที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนา การต้นี้ <c oughs> การทำใจให้สงบให้เกิดความสุขแบบชั่วคราวก็คือการใช้สติค <Yeah. S 1> อยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่ <Yeah. S 1> นคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนี้เป็นตัวขวางความสงบนั่นเอง <Yeah. S 1> ถ้าใจยังคิดอยู่ใจก็จะสงบไม่ได้ <Yeah. S 1> เมื่อสงบไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ yeah. ต้องคอยกำจัดความคิดต่างๆด้วยการใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งการบริกรรมพุโทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง เ, เพื่อทำให้เกิดสติเพื่อทำให้ใจหยุดคิดได้หรือการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งอนาปณะสติอันนี้ก็สามารถเลือกเอาได้ว่าจะใช้แบบไหนแล้วแต่ถนัดทาใจให้สงบได้ก็จะเกิดความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงนัติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่คือขั้นแรกคือการทำใจให้สงบเป็นพักๆเป็นสมาธิเป็นพักๆแต่ยังไม่สงบอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน พาต้องออกจากสมาธิมาทำงานทาการมาเกี่ยวข้องกับร่างกายมาดูแลร่างกายมาเลี้ยงร่างกายมาชำระร่างกายมาทำภารกิจต่างๆเวลาออกมาใจก็เริ่มคิดความสงบก็หายไปความทุกข์ความเครียดก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่อยากจะให้มันหายอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาคอยกำจัดความคิดที่คิดไป ท, ที่คิดแล้วทำให้เกิดความเครียดขึ้นมา ความคิดที่ทำให้เกิดความคิดก็คือความคิดที่คิดไปทางความอยากนี่อยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีความสุขกับสิ่งนั้นมีความสุขกับสิ่งนี้พอคิดแล้วเวลามันไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเครียดขึ้นมาทันทีนั่นต้องคอยกำจัดมันด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปจากเราไปได้ <Yeah. S 1> พอมันหายไปจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอีกเนไม่ได้เป็นการไปหาความสุขอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วก็ <Yeah. S 1> ต้องเจอความทุกข์พอเห็นก็ต้องไปเจอความทุกข์ก็จะได้ตัดความคิดเหล่านี้ออกไป <Okay. S 1> คิดอยากจะหาความสุขจากสิ่งนั้นไม่เอาดีกว่ามาหาความสุขจากความสงบดีกว่ามาหาความสุขจากการตัดความอยากดีกว่าเ mm. พราะถ้าเราตัดความอยากอันนั้นได้ จิตก็จะสงบทันทีพอสงบก็มีความสุขทันทีดีกว่าการไปหาสิ่งนั้นมาให้ความสุขกับเราแล้วกลายเป็นความทุกข์ต่อไปในภายหลังอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาปอปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นอนิจจมันเป็นพอมันเป็นอนิจจมันก็จะเป็นทุกขังขึ้นมาแล้วมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไป สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปตามตามวาระของมันตามเรื่องของมัน <c oughs> นี่คือการใช้อานิจจังทุกขังอนัตตามาสกัดความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาเพื่อหยุดความอยากพอความอยากถูกหยุดปับ๊บใจก็จะสงบเหมือนอยู่ในสมาธิทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต่อไปถ้ากำจัดความอยากต่างได้หมดแล้ว ใจก็จะสงบตลอดเวลา <c oughs> ใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาตลอดเวลาเป็นนิบานังปรมังสุขขัง <c oughs> ใจเป็นนิพาน <c oughs> ใจที่เป็นนิพานคือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆนั่นเองความอยากที่ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากใจจ <c oughs> ึงทำให้ใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่สงบตลอดเวลาเป็นใจที่มีความสุขตลอดเวลา นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาทำคันธาธุระก่อนเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะปฏิบัติไปจนถึงขั้นที่เราจะได้คือความสงบที่ถาวรนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำธุระของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่พวกเรา คือคันธะทุระและวิปัสนาทุระคันธะทุระคือการศึกษาพระธรรมคําสอนวิปัสนาทุระคือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนผลก็คือนิบานังปรมังสุ ข, ขังก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติอิชิตังปะทิทางตุมหังคือเปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกบะ จันโทปณะระโสยธามมณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตรายยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนศีลิสะนิจจังุทธะปจายิโน ยตาโรธรรมวาทาติอายุวโนสุขังภลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเทา่าไหร่คะจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโต39มร้อยเก้เกา่อจอสุชาติอภิชาตโตร53รวม facebook 452 youtube 244วิทยุออนไลน์8 Zo ซผู้รับฟังหน้ากุฏิร0 6รวม817ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย ระฟังที่นี่นะคะคําถามที่หนึ่งเราเป็นผู้ดูแลคุณแม่อายุ75ปีตามลําพังคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีโดยรวมเรามีความตั้งใจไปเข้าปฏิบัติหลักสูตรวิปัสนา30วันแต่มีความเกรงใจคุณแม่และกังวลว่าเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทอดทิ้งให้คุณแม่เหงาดูแลตัวเองเพียงลําพังเราควรวางใจเช่นไรดีคะถ้าคุณแม่ไม่เดือดร้อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้าคุณแม่ดูแลตัวเองได้การอยู่อยู่คนเดียวนี้ก็เป็นโอกาสดีของคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ก็จะได้ปฏิบัติ <c oughs> ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต่างคนก็ต่างมาคอยกังวลกันมาคอยรบกวนกันอย่งั้นถ้าเราไปแล้วแม่คุณแม่อยู่คนเดีย ว, ค, ย ค, ยวคุณแม่ก็จะได้ปฏิบัติส่วนของคุณแม่เราก็ได้ปฏิบัติส่วนของเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยกเว้นว่าท่านต้องการการดูแลทางร่างกายที่ ต้องมีคนคอยช่วยดูแลอย่างนี้อันนี้ก็ต้องหาคนมาดูแลแทนได้ mm. เพราะว่าเราก็ต้อง mm. คิดถึงตัวเราบ้างว่า mm. นานๆจะมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักครั้ง mm. แม่อันนี้เจอทุกภพทุกชาติอยู่แล้ว mm. เดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าก็มีแม่คนใหม่แล้วนั่น mm. <laughs> แ, แม่เจออยู่เรื่อยแต่ไม่เคยเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าไหร่เพรนั้นโอกาส mm. อันนี้หายากมาก mm. ก็ดูแลคุณแม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะม่้คุณคุณแม่เดือดร้อนหรือเป็นอะไรอต่างนั้นจิตใจนี้ดูแลกันไม่ได้หรอกคุณแม่จะอยู่ด้วยกันก็ยังทุกข์ได้อยู่อยู่จะอยู่ห่างกันก็ทุกข์อย่างหนึ่งอยู่อยู่ด้วยกันก็ทุกข์อีกอย่างห่างกันก็คิดถึงกันอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันมันก็ทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจิตใจของแต่ละคน เพราะจิตใจของแต่ละคนนี้ต้องดูแลกันเองคนอื่นดูแลไม่ได้เราดูแลได้ก็ทางร่างกายเท่านั้นเององั้นถ้าทางร่างกายคุณแม่ไม่เดือดร้อนคุณแม่ดูแ ล, ดแลได้แล้วก็ควรจะไปบ้างเพราะว่าเวลาเราน้อยลงขึ้นทุกวันนะไม่ใช่นจะมากขึ้นเวลาชีวิตของเรานี่จะหมดไปเรื่อยๆมันไม่เพิ่มขึ้นมันมันแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ในเวลาที่เราจะตักตวงจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นตอนนี้รีบฉวยโอกาสนี้เสียอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง <c oughs> คำถามอีกท่านหนึ่งค่ะ โยมเคยถูกญาติหลอกผีจนกลัวสุดขีดจนช็อกและไม่สบายตั้งแต่วัยเด็กความรู้สึกกลัวยังคงติดอยู่ในใจมาตลอดเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแต่เมื่อพบกับความมืดก็ไม่กล้าพักที่วัดโยมต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความกลัวนี้เจ้าค่ะเออก็ต้องหัดคิดถึงความตายบ้างพระพุทธเจ้าให้สวดบวชช า, ามมธชาามโมเหชลังงาติโต <Yeah. S 2> เกิดมาแล้ว ต้องมีแก่เป็นธรรมดามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดภาเจากกันเป็นธรรมดา mm hmm. ให้คิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้บอกตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ไปต่อไปด้วยบุญด้วยบาป mm hmm. ฉขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปความกลัวตายก็อาจจะน้อยลงไปหรือหายไปได้จาผู้จผู้รับฟังที่นี่อีกท่านหนึ่งนะคะการปฏิบัติมีทางด่วนหรือไม่คะนี่ก็บวเนี่ยทางด่วนนี่คือบววเนี่ยถ้าไม่บววก็เหมือนอยู่ทางอยู่ใต้ทางด่วนเนะ ใต้ทางด่วนมันก็มีสีแยกไฟแดงมีรถติดอะไรรถบรรทุกรถชา้ารถเร็วมันก็วิ่งปนกันไปหมดแต่ขึ้นทางด่วนนั้นมีแต่รถเร็วอย่างเดียวอย่งนั้นถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องขึ้นทางด่วนกันต้องเสียค่าผ่านทางนต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ไปได้เพียงมีสมบัติเพียงแปดชิ้นคืออัตราริขารนั้นนั่นนอกนั้นแล้วไม่มี ติดใจชอบใจเลยชอบใจค่ะหลงพ่อค่ ะ, ะนวัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูอยากจะถามว่าเวลาสุขทุกโลภรักโลกโกรธหลงอะหนูก็พยายามทำได้ทุกครั้งแต่สิ่งที่ตมืกี้หลวงพ่อพูดว่าหนูต้องเจออย่างเงี้ยถ้าถ้าหนูคืออยากจะให้หลุดก็ต้องบวชใช่ไหมเจ้าคะ ไม่งันก็ยังต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วแต่บางคนไม่บวชก็<ม>ก็บรูุได้มันอยู่ที่แต่น้อยคนน้อยคนที่จะบรรลุในฐานะเป็นผู<ม>้คล่องเรือนเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดนะ<ม>แต่ถ้าถ้าเราตัดกิเลสได้ก็ก็บรู้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนั่งบวชก็ได้เสมอไป แต่ส่วนใหญ่นี้คนที่มบรร่ากันเป็นนักบวชเท่านั้นแหละรที่เอาสองสาวกห น, นึ่งันสองร้าิูปเนี่ย ไม่ได้เป็นค า, า, ารว่าชักรูปนี่วอสอธุโชคคาหลวงพ่อแสดงแสดงว่าก็ต้องบวชนะนะจุข้าว ไ, ไม่อยอไหวอย่างนั้นเราอาจจะเป็นคนกรณียกเว้นก็ได้ครับโอสาธุโชคคาร์าหลวงพ่อค่ะเออหลวงพ่อหนูก็มีประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเอพี่อยากร่วมทําบุญเอก็เลยบอกว่าแต่มีคนขัดว่าฝากทําไมเอก็บอกว่าถ้าไม่สะดวกใจทําบุญกับพ่อกับแม่เพราะเอกเคยด้ ยินหลวงพ่อเทศประจําว่าบุญน่ะทํากับพ่อกับแม่อเอกก็บอกว่าคุณน่ะไปทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนก็ได้ส่วนที่จะร่วมกับเอ๋ไม่สําคัญเลยเพราะเอ๋ได้ยินหลวงพ่อเทศมาประจําว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนอหนูก็บอกแบบนั้นเดี๋ยวเข้าไปใส่เข้าไปจากคุณสุริยาค่ะเรื่องอาชีพการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพ ที่ชอบแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่เพราะเคยกราบเรียนถามพระอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ได้บังคับเขามาซื้อก็ไม่ผิดแต่มีพระอาจารย์ที่บ้านบอกว่าเป็นการขายสิ่งที่มอมเมาเป็นอไยมุขเป็นโทษเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกตามทำนองคลองรำให้ประกอบอาชีพอื่นขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์ค่ะ ก็อยู่ที่คนซื้อนะว่าเขามอมเมาหรเปล่าบางคนเขาก็เสี่ยงโชคไปเขาก็ไม่ได้เล่นแบบมอมเ ม, มา เ, าเพราะเผื่อเปิดช่องไว้เวลาบุญเก่ามันอยากจะออกมาไม่มีมทางออกมาเพราะอะไรไปซื้อเปิดช่องให้มันออกมาได้ถ้าเราซื้อใบเดียวสองใบอะไรทำนองนี้ไม่ได้ไปหวังนั่งหวังรวยอะไรอย่างมันคิด <c oughs> ว่าถ้าไม่ถูกก็เป็นการทําบุญเพราะเงินที่ เขาได้จากลอตเตอรี่นี้เขาก็าไปทําประโยชน์ต่อสังคมต่อไปก็อยู่ที่เราจะมองแต่บางคนก็เล่นแบบเอาเป็นเอาตายนี่ก็ไม่ควรเน่นแบบว่ายมามเช้านี้มีคนยังบนว่าซื้อซื้อเลขทะเบียนรถของกูมาเกือบสิบปีแนละ้วยังไม่ถูกเลยนี่ทำไมถ้ามันถูกก็ก็ยังขาดทุนอยู่ใช่ไหมถ้าเล่นแบบนี้มันก็มันเล่นแบบติดมันเล่นแบบต้องเอาให้ได้ต้องได้นี้ไม่ได้ ต้องเล่นแบบว่าทำใจกลางๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็กคิดว่าเป็นการทำบุญไปสนับสนุนรัฐบาลไปคนขายลอตเตอรี่จะได้มีงานทำแล้วก็เงินที่ได้มาจะได้ไปทำประโยชน์ช่วยโรงเรียนช่วยอะไรต่างๆไป <Yeah. S 1> ก็อยู่ที่คนเล่นว่าจะเล่นแบบไหน <Yeah. S 1> สินค้าบางอย่างให้มมีดก็ทำไมขายกันได้มีดถ้าเสื้อมาตัดผักตัดเนื้อทำกับข้าวว่าไม่เป็นไร แต่ถ้าไปทั้งนคนไปทิ้มคนมันก็เป็นผิดมันอยู่ที่คนใช้อีกและใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่สินค้าอย่างเดียวสินค้านี่มันเป็นของกลางกลางอยู่ที่คนไปเกี่ยวข้องกับมันว่าเกี่ยวข้องแบบไห น, นถ้าเกี่ยวข้องแบบคนฉลาดก็ได้ประโยชน์จากมันถ้าเกี่ยวข้องแบบคนโง่ก็ได้โทษจากมันจากผู้รับฟังนัากุฏิค่ะ เวลานั่งสมาธิแล้วไม่ตกผวังเป็นส่วนใหญ่จะวางใจอย่างไรดีคะเพราะก็รู้สึกว่าจิตตกเจ้าค่ะรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะสติกําลังน้อยต้องพยายามเพิ่มสติทําตอนก่อนมานั่งถ้าจะนั่งแล้วมาทําสติมันมีกําลังไม่พอเหมือนราจะวิ่งขึ้นเขานี่มันต้องเร่งสปีดให้แรงก่อนมันถึงจะมีแรงขึ้นเขาได้ถ้ามาเ ร, ม เ, รม เ, รมเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งเร็วตอนที่ ถึงตีนเขาแล้วมันหมดแรงมันไม่พออย่งนั้นต้องพยายามสร้างสติให้มากก่อนที่จะมานั่งพยายามมันพุโทโธพุธโทโธหรือสวดมนต์อะไรไปภายในใจพยายามควบคุมความคิดลดความคิดให้มันน้อยลงไปแล้วพอเวลามานั่งมันก็จะมีกำลังที่จะทำจิตให้รวมได้คุณสุริยา โลกมันพร่องอยู่เป็นนิดหมายถึงอะไรเจ้าคะอะไรนะโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งได้ยินวันนี้นะคุณสุบินลูกต้องไปทำงานไกลในประเทศที่เสี่ยงโรคโควิดคณเป็นแม่ห่วงลูกมากต้องทำใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์เจ้าคะก็ทุกคนอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสตายด้วยกันนะครับ มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ด้วยกันทุกคนไม่ไม่ติดโรคนี้มันก็ติดโรคนั้นได้ mm hmm. เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งได้ mm hmm. งนั้นก็ทำใจแต่ว่าทุกคนไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายจากกันไปคุณชัยวัดจิตมีความส ง, งบ ลืมตาก็นิ่งสงบอยู่แบบนั้นคลายตอนนั่งสมาธิหลับตาแต่หลับตาจะสงบกว่าครับพอสังเกตความรู้สึกตอนนั่งสมาธิดีๆจะรู้สึกว่ามีความสงบที่สงบมากกว่านี้ที่นิ่งลึกกว่านี้แต่ว่าจิตผมก็ไม่ไปไหนนิ่งสงบอยู่แบบเดิมอย่างนี้แต่แท้ความรู้สึกนั้นอยู่เสมอว่าจะมีความสงบมากกว่าตอนนี้คือผ ม, มอยากทราบว่า พอจะมีคําแนะนําให้ผมปฏิบัติเพื่อพัฒนาความก้าวหน้ากว่านี้ไหมครับก็เม่ <c oughs> ก็คือเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้รักษาความสงบให้มันอยู่ต่อไปโดยการใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้เห็นว่าทุขสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นไตรักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทําให้จิตใจเราวุ่นวายกัน แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะได้ปล่อยอย่างเมื่อกี้คำถามที่แม่ถามว่าลูกเป็นไปทำงานจะต้องไปติดโรค ก, ก็ต้องพิจารณาว่าลูกนี้เป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเห็นเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเพิ่มความสงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วให้สงบต่อไปได้ นานขึ้นยาวขึ้นแล้วถาวรต่อไปผู้ไม่ประสงค์ออกนามเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ชอบด่าในใจกลัวมากเลยค่ะรู้สึกแย่มากควรทำอย่างไรดีคะก็ด่าตัวเราเองสิด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำไมด่าตัวเราเองไม่ได้ล้วงมึงเป็นยังไงมึงวิเศษกับเขาเหรอใช่ไหม คุณสวัยค่ะต้องการกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่สั่งสอนให้พุทโธพุทโธเนื่องจากถูกจ้างออกเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาปกติจะเป็นคนร้องไห้ง่ายมากเมื่อฟังคำสอนพระอาจารย์ให้พุทโธดิฉันสงบเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนมีพบก็ต้องมีจากไม่จีรังยั่งยืนขอกราบขอบพระคุณค่ะที่ได้พบพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุมีดวงตาเห็นธรรมนะ มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาร้องไห้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไระทําใจให้สงบแล้วตั้งหน้าเดินเดินต่อไปดีกว่าสะดุดได้ล้มได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปคุณน้ําครึ่งแก้วจิตเสื่อมคืออะไรเจ้าคะไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะอาก็จิตที่ที่สงบแล้วไม่สงบก็เรียกว่าจิตเสื่อม แต่ถ้าเราไม่เคยมีความสงบเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเสื่อมเป็นยังไงเหมือนคนรวยแล้วจนเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเสื่อมใช่ไหแต่ถ้าเราไม่เคยรวยเลยเราก็ไม่รู้มันเสื่อมเป็นยังไงคุณสิริเด็กที่แม่เขาเคลอดออกมาแล้วแม่เขาเสียชีวิตจากการต ก, ตกเลือดเลือดมากจากการคลอดเด็กคนนั้นแล้วแม่เขาตายทันที ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งหน้าลูกหลังจากที่คลอดเด็กคนนั้นออกมาเด็กคนนั้นจะถือว่าเป็นบาปหรือเป็นการฆ่าแม่เขาไหมเจ้าคะที่พอเขาเกิดมาทำให้แม่ตายเพราะาคลอดเขาออกมาไม่หรอกมันก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษามันยังนอนหลับอยู่ในท้องนั่นมันไม่เกี่ยวกับเด็กมันเกี่ยวกับเรื่องสภาพของร่างกายของแม่อาจจะมีปัญหาไม่สมบูรณ์ มันก็เลยทำให้แม่ตายได้ไม่บาปหรอกเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวจะบาปก็ต้องมีความตั้งใจมีเจตนาและมีการกระทำตามที่ความตั้งใจไว้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยฝันเห็นเนื้อของร่างกายอย่างเห็นละเอียดคล้ายกล้องส่องลงไปดูอสุภะนิมิตอย่างนี้สามารถเกิดขึ้นในฝันได้ใช่ไหมครับได้เวลาฝันฝันเป็นหาเศรษฐีก็ฝันได้ด ฝันเป็นพระอาหันก็ฝันได้เรื่องของความฝันไม่ใช่เป็นความจริงนะคอรู้ไว้มันเป็นความฝันอย่าไปหลงยึดติดกับมันมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าจะมาใช้ประโยชน์ก็ต้องผลิตมันขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะเห็นสุภาพก็ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้เห็นสุภาพใหม่ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ลูกจะถือสินแปดอยู่ที่บ้านลูกสามารถดื่มน้ำนมถั่วเหลืองได้เองหรือไม่เจ้าคะเช่นน้ำเต้าหู้ลูกอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ลูกไม่สามารถไปปฏิบัติได้คะ่ะเป็นน้ำเต้าหู้นี้บางวัดเขาถือว่าเป็นอาหารบางวัดก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารงั้นแล้วแต่วัดที่เราไปวัดที่เขาไม่ถือก็ดื่มได้วัดที่เราวัดที่เขาถือเขาก็ไม่ดื่มกันอย่างวัดของธรรมยุทธ์นี่เขาถือว่าเป็นอาหาร แต่ว่าของมหานิการนี่เขาไม่ถือว่าเป็นอาหารเพราะว่าดื่มได้คัะคุณกัลยาการงดกินเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นการทําบุญไหมคะไม่เป็นหรอกก็เป็นการกินอาหารชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปแต่อย่างใดเป็นเรื่องกลางๆเป็นเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงเรื่องร่างกายเพราะไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหาย เดือดร น, นหรือว่าไม่ได้ไปทําให้ใครมีความสุขจากการกินของเราเองถ้าเราไม่ได้เป็นคนไปฆ่าเนื้อสัตว์เองออถ้าเราเป็นคนที่ต้องฆ่าเนื้อสัตว์เพื่อมากินเองแล้วเราไม่กินก็ดีก็เป็นบุญเพราะเราจะได้รักษาศีลได้แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาแล้วขายอยู่ในท้องตลาดนี่ไปซื้อมาก็ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นบุญก็เป็นบาปอะไรอย่างใดคุณชีวิตบอยบิน จิตที่วิปลาสคือจิตอย่างไรครับและจะแก้อย่างไรครับก็จิตที่มันบ้านจิตวิปลาสือจิตบ้านแก้ก็ต้องไปหาจิตแพทย์หรือไปหาพระพระก็สอนให้ตั้งสติ<ม>ให้พุโทโธพุโทโธให้สงบสติอารมณ์ขึ้นมามแล้วก็ศึกษาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วก็ต้องมีหมอหรือมีอาจารย์มีพระคอยสอน คุณ น, น้ำครึ่งแก้วเนนสามารถฟังเพลงหรือความบันเทิงได้ไหมเจ้าข่ะสามารถดูการ์ตูนและร้องเพลงดูละครเกี่ยวกับการมาคุณได้ไหมเจ้าข่ะไม่ได้ล่ะพวกบันเทิงทั้งหมดนี้ไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนศีนแปดนี่ห้ามแม้แต่วาสุกุบาศิกากไ็ไม่ได้ใครถือศีนแปดนี้ก็เรื่องบันเทิงนี้ก็ตัดไปเสยบันเทิงมาหอเราศพร้องนําทําเพลงอะไรต่างๆ เพลงธรรมะก็ไม่ได้เดี๋วยวชาวเอาเพลงเอาเอาเพลงมามามาผูกกับธรรมะ อ, ม<ๆ>อันนี้ก็ไม่ได้ก็ธรรมะทาถ้าสมัยพรุทธเจ้าไม่ได้ร้องเพลงธรรมะพวกเราฟังเยอะไหมทํมาไมพวกเราต้องมาเอาเพลงมาผูกกับธรรมะของ พ, พระพุทธเจ้าเนะี่ยคุณปรีชา ต้องนั่งสมาธิถึงขั้นไหนครับใจถึงจะเป็นอุเบกขาที่แท้จริงแล้วอุเบกขามีระดับไหมครับอยู่ได้นานไหมครับก็ขั้นอุเบกขาเนะี่ยต้องใช้พุโทโธแลือดูลมหายใจต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจขอให้พุโทโธไปนั่งดูลมหายใจไปเดี๋ยวมันก็จะอุเบกขาเองคุณกะระยาเวลาใส่บาทใส่เงินได้ไหมเจูค่ค่ะ ถ้าเป็นพระสายธรรมยุทธนี้ท่านไม่รับเงินกับมือถ้าจะใส่ให้เงินนี้ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้มีลูกศิษย์เดินมาก็บอกเอาเงินนี้ฝากให้บอกฝากทไว้หลงพี่ให้หน่อยอไม่ควรจะใส่ไปในบาทเพราะว่าพระท่านไม่รับไม่รับเงินทองกับมือแต่รับผ่านผู้ที่เป็นลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นคนเก็บไว้แล้วก็ดูแลรักษาให้ เวลาต้องการใช้เงินทองก็บอกลูกศิษย์ให้ไปจัดการให้ทีคุณยงขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายรูปฌานและอรูปฌานครับผมก็ไปอ่านเลยเนี่ยไปเปิดดูในในมือถือเนี่ยเขียนรูปฌานเข้าไปอรูปฌานเข้าไปมันก็จะบอกมาว่ารูปฌานมีอะไรอย่างไรบ้างเราก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาทางนี้เราเพียงแต่รู้ว่า ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธไปนะ้วมันก็จะเข้าไปเองคุณเอนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ดื่มแล้วบาบไหมคะไม่บาปเราไม่ไม่มีวิญญาณขอมุนี้ไม่มีดวงนี้ไม่ใช่ดวงวิญญาณไม่มีดวงจิตดวงใจไม่มีการรับรู้รต้นไม้นี้ก็มีเซลมีอะไรต่างๆ มีชีวิตมีการเจริญเติบโตแต่ไม่มีดวงวิญญาณมาเกาะมาเป็นเจ้าของร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้เพียงแต่ว่ามีดวงวิญญาณมาเกาะมาเป็นเจ้าของคือจิตใจเนมาเกาะน้ามยึดมาคล้องว่าเป็นตัวเราของเราพอใครไปทําอะไรร่างทำร้า ย, ร, าายร่างกายเจ้าของที่มาเกาะก็โ ก, กรธก็ร้างแค้อาคาตพยาบาทก็เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมา ก็เลยต้องห้ามไม่ให้ไปทำร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นเพราะจะไปทำให้ผู้อื่นเขาโกรธเราแล้วเขาก็จะมาทำร้ายเราต่อไปคุณทีคณิตาเราจะพ้นทุกได้ก็เมื่อไม่หลงอารมณ์ใช่ไหมเจ้าคะเช่นหลงคิดหลงยึดหลงเศร้าหลงไม่สบายกายใจเจ็บป่วยต่างๆ แต่เมื่อเราพ้นทุกได้แค่รู้ตื่นและเห็นตามความเป็นจริงแบบเข้าใจธรรมชาติแต่กว่าจะเข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมตัวนี้ต้องฝึกสติสมาธิอย่างสม่ำเสมอตลอดไปจึงจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงถูกต้องไหมเจ้าคะออน่าจะเป็นอย่างนั้นลองปฏิบัติ ด, ดูสิ <c oughs> สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ห่าแล้วเโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมมีประมาณสี่ห้านาทีด้วยกัน <c oughs> ก็ต้องปฏิบัตินฟังอย่างเดียวไม่พอะสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นฟังแล้วเพื่อจะนําเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วเอาไปคิดคิดแล้วบอกว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่มันก็ยังไม่ได้หมายความว่าเห็นจริงเห็นจังมันต้องเห็นจริงเห็นด้วยใจเห็นความ ต้องเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจด้วยเห็นทุกข์ในใจแล้วเห็นทุกข์มันดับภายในใจจากการที่เราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาดับถ้าเห็นแบบนี้ก็ถือว่าเห็นจริง mm hmm. แต่เพียงแต่คิดว่าโอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้ว mm hmm. อันนี้ก็เพียงแต่คิด mm hmm. น, นจะรู้ว่ากลัวไม่กลัวก็ต้องไปทดสอบดูไปหาข้อสอบ mm hmm. ไปนั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูซิว่ายัง เฉยได้หรือเปล่ายังไม่กลัวได้หรือเปล่าหรือยังหรือเกิดอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปอันนี้ก็จะพิสูจน์ได้ถ้าไม่พิสูจน์ก็บางทีความคิดของเรานี่ยังหลอกเราได้อยู่นั้นต้องต้องไปหาข้อสอบอยู่ว่าใจเรานี้ปล่อยวางได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับอะไรได้หรือเปล่า น้ำรสกาดหลวงพ่ออีกรอบหนึ่งคะ่ะน้องดาเขาฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยเขากลัวตายเจ้าค่ะกลัวตายเวลานอนเนี่ยไม่กลัวตายเนะี่ย <c oughs> เวลานอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเนยะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนนอนหลับแต่แต่ไม่หลับเท่านั้นเองมีความรู้สึกตัวตลอดเวลายังไม่ต้องกลัวตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธนะิมีแต่มีความสุขกันมีแต่บรรลุธรรมกันนะไม่ต้องไปกลัวตายนะ นั่งสมาธิไม่ได้ทำให้คนตายเหมือนนอนหลับก็ไม่ได้ทำให้คนตาย <อ vem. S 2> คนมันจะตายมันตายด้วยสาเหตุอื่นตายด้วยเพราะมันไม่มันไม่หายใจถ้าอยู่หายใจเ ม, มื่อไหร่ตายแน่ะไม่ว่าจะนอนหรือนั่งสมาธิถ้ายังหายใจอยู่ไม่นัองกลัวตายหรอกอนั่งดูลมไปถ้ายังหายใจอยู่ไม่ตายแน่ๆรับประกันได้ เอาแล้วนะถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าอามีเลยอ่ะอีกคาถามนึงคุณนิพาข้าพเจ้าภาวนาพุโทโธมาแปดปีเกิดอาการแปลกๆ แ, แต่ไม่ได้สนใจอาการที่เกิดขึ้นภาวนาพุโทโธปัดความคิดออกไปแต่ตอนนี้มีความรู้สึกสมองมันโลง่โลงๆเจ้าค่ะแล้วศีลก็มาเองสงสารสัตว์มากขึ้นเจ้าค่ะรู้สึกเบื่อทางโลก อยากขอให้พระอาจารย์ชี้แนะเจ้าค่ะก็ดีศีลมาก็ดีจะได้ไปบวชได้จะได้บรรลุธรรมได้จะได้หลุดพ้นได้เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ